พระองค์บอกเลยนะว่าวัดทุกชนิดข้อปฏิบัติในโลกมีอะไรบ้างที่พระองค์ไม่เคยทําที่เขาว่าดีเขาว่าดีพระองค์ทํามาหมดแล้วว่างั้นนะแต่มันไม่ดีเหมือนมักมีองแปดเพราะมันไม่ได้ช่วยให้พ้นทุกจริงวันจะต้องแวกมิจฉาทิฐิอยู่สีอสงไขยแสนกับเนี่ยนะบางชาติไม่รู้ว่าท่านคิดได้ยังไงไม่รู้แวกมิจฉาทิฐิเหล่านั้นเหล่านั้นได้อย่างไรอ่านชาดกเนี่ยหลายๆชาดกจะรู้ว่าท่านแวกวงล้อแห่ง มิจฉาทิฏฐิอย like like ู่ตลอดเวลาน่ยนะกว่าจะข้ามมิจฉาทิฐิได้ของเราเนี่ยโอขนาดเกาะพระพุทธเจ้านะยังเป๋ไปเป๋มายังเอียงซ้ายเอียงขวาโยกหน้าโยกหลังก็เป่าขวาก็ไปซ้ายก็เป่าหน้าก็ไปหลังเหมือนกับว่ารุ่นถูกเป่าด้วยน้ำอะไรนั่นนลมภายนอกพายุเนี่ยทนได้หมดนะเว้นแต่ลมปากพูดแล้วก็กระเทือนใจประมาณนั้นนะ แล้วก็กระเทือนใจเป๋ไปเปมาพัดไปพัดมาลอยมาลอยไปเหมือนกับลูกอะไรสักอย่างก็อย่างนี้แหละมันก็จะกว่าจะแวกว่ายจากเรียกว่าสังสารวัติไปถึงบกถึงฝั่งเนี่ยยากแท้วันแต่ว่าฉันทะของผู้ที่ปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบอกว่าคือคือพูดถึงในแง่ขอ ง, ของความอดทนบากบันแบบโง่โเนี่ยนะอาจจะทาไม่ยากใช่ไห ให้แบกให้หนักให้คนให้ย้ายให้อะไรเนี่ยมันทําไม่ยากมันทนได้แต่นี้มันต้องมีปัญญาประกอบมันจะต้องแบบอะไรทอรหัสอยู่ตลอดเวลาเหมือนเราเราก็ต้องทอรหัสฝ่าวงล้อฝ่าอะไรอีกสารพัด ท, ที่จะแวกที่จะลุยออกไปเนี่ยนะสละทั้งเนื้อสละทั้งเลือดสะลสะทั้งชีวิตตายแล้วไม่เป็นไรตายแล้วก็เกิดใหม่เอามามาต่อใหม่มาต่อใหม่ต่อใหม่มต่อใหม่เข้ามา อ, อย่างใครนะี่ย อนาคาริกธรรมปาละชาวศรีลังกาบอกขอเกิดอีก25้าครั้งขอเกิด25ครั้งกว่าจะสิ้นศาสนาพุทธเหมือนกันตายเกิดขอตายเกิดตายเกิดเป็นคนที่ต่อสู้เหมือนกับว่าต่อสู้ให้พระศาสนากลับคืนสู่อินเดียก็ ก, ก, ก็ไม่ผิดนะะเป็นหัวหอกที่สําคัญ ท, ที่เจ้าของสมาคมมหาโพก็นะเจ้าของสมาคมมหาโพประวัติหน้าอ่านวันที่ประวัติน่าสนใจบอกขอเกิดอีก25ครั้งมาต่อสู้ต่อไป มาต่อสู้ต่อไปของเราก็บอกโอ้ยเขเกิดชาตินี้ก็แหมต่อสู้แต่ละวันให้อยู่กับคําสอนนี่ก็เก่งแล้วนะเอย่าไปคิดการไกลมากเลยบางทีอนะคิดว่าเนี่ยทํายังไงวันวันหนึ่งจะต่อสู้อกุศลอย่างไงให้มาอยู่กับคําสอนได้ต่อสู้ความฟุ้งซ่านยังไงมาคิดถึงสมถาวิปัสสนาได้นี่ก็โอ้ยเป็นบุญไม่ใช่น้อยอย่างนั้นนะ อุปมาสุดท้ายบอกว่าบุคคลฟังมาว่าผู้ใดหมกไหมอยู่ในนรกตลอดอสงไขยแสนกลับนะเสียอสงไขยแสนกลับก็บรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าได้ฟังแล้วก็ไม่ย่อท้อเนี่ยนะกลับมีความพอใจว่าเรานี่แหละจะหมกไหมอยู่ในนรกแล้วบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าตอนไม่ป่วยไม่ไข่ตอนไข้ไม่ขึ้นไม่รู้เราก็มันร้อนขนาดในร่างกายเนี่ยนะก็ตอนไข้ขึ้นแล้วนะโอ้ยมันจะรู้ว่ามันนรกชัดเลยว่างั้นนะ ถ้าใครป่วยใครไข้ขึ้นเนี่ยโอ้โหเหมันร้อนระอุไปทั้งตัวไปหมดเนี่ยนะมันเหมือนนี่นี่ขนาดว่าบนโลกมนุษย์นะแค่สี่สิบองศาเนี่ยสี่สิบองศาในกายนี้นี่ก็แย่แล้วเดี๋ยนะห้าสิบองศานี่ก็เกือบจุติแล้วนะที่เนี่ยนะปีนี้ปีที่ผ่านมานี่เมษาที่ผ่านมาเนะี่ยสี่สิบกว่าองศาอินเดียตายไปพันกว่าคนตายเพราะความร้อนเนี่ยนะพันกว่าคน วความร้อนเนี่ยมัน ร, นร้อนระอุร้อนจากภายในร้อนจากภายนอกเวลาป่วยไข้ขึ้นนี่ไม่ใช่ร้อนธรรมดานะมันร้อนระอุไปหมดแล้วท่านก็ร้อนในนรกจริงๆอะตกนรกไม่ใช่น้อยเพราะอะไรเราต้องไม่ลืมว่าอยู่แวดวงป่าประมิตรในทั่วๆไปที่พูดถึงพุทธาประทานเกี่ยวกับเรื่องกรรมะนะนีกรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่ท่านไปทำชั่วเพราะท่านคบป่าประมิต คบป่าประมิตรเป็นเหตุให้ฆ่าสัตว์คบปาประมิตรเป็นเหตุให้ประพฤติผิดในการมคบปาประมิตรเป็นเหตุให้ไปดื่มสุราลและมีไรเป็นต้นแล้วก็กรรมอันนั้นก็ทําให้ท่านตกนรกหมกไหม้เจ็บปวดแสนสาหัสเหมือนกันนั่นแหละเพราะผลแห่งกรรมชั่วนั่นแหละเพราะเรียกว่าถูกสังคมแห่งคนพาลยกย่องเมื่อใดที่คบป่าประมิตรให้รู้เถอว่าผลพวงของการคบป่าประมิตรคือบาปบาปประกรรมที่ติดตามมานั่นแหละเป็นผลพวงของป่าประมิตรเมื่อ สังคมสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยปาปะมิตรชักชวนกันในการทําความชั่วขนาดนั้นจะไปไหนก็ไปอบ า, ายมักนก็บอกทนนรกได้ไหมเวลาเขาอื่นเขาทําชั่วแล้วทําให้ตกนรกท่านทนในนรกได้ไหมบอกได้เนี่ยนะชันทะต้องใหญ่ขนาดนั้นเรียก ว, ว่าประชุมองแปดเนี่ยนะกว่าจะประชุมองค์8เสร็จได้ครบองค์8เนี่ยนะมีจิตใจที่แน่ๆก็คือพลังทางใจเนี่ยเต็มเปี่ยม พลังทางใจที่เต็มเปี่ยมนี่แหละทาให้ตั้งความปรารถนาได้สําเร็จถ้าไม่มีคุณธรรมแล้วก็ไม่มีพลังใจกําลังใจขนาดนี้ไม่มีฉันทะความพอใจเต็มอกเต็มใจขนาดนี้ฟังแล้วยา ก, กว่างั้นปกติโดยทั่วๆไปก็บอกว่าแม้กระทั่งการประพฤติปฏิบัติของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายแม้แต่ไม่ต้องว่าไปเห็นท่านปฏิบัติได้ยินได้ฟังยังสะเทือนใจเลยเขาบองั้นยังสะเทือนใจ อภินิหารอันประกอบไปด้วยองค์แปดประการมาดูจิตตุบาทนะว่าจิตตุบาทที่ตั้งความปรารถนาอย่างนั้นเพราะความประชุมพร้อมแห่งองค์แปดประการไอจิตตุบาทที่ว่านี่คืออะไร ความคิดที่เกิดขึ้นว่าเราข้ามแล้วจะให้สัตว์อื่นข้ามด้วยเราพ้นแล้วจะให้สัตว์อื่นพ้นด้วยเราฝึก แ, แล้วจะให้สัตว์อื่นฝึกด้วยเราสงบแล้วจะให้สัตว์อื่นสงบด้วยเราคล่ลนนองใจแล้วจะให้สัตว์อื่นคล่องใจด้วยเราปรินิพานแล้วจะให้สัตว์อื่นปรินิพานด้วยเราบริสุทธิ์แล้วจะให้สัตว์อื่นบริสุทธิ์ด้วยเราตรัสรู้แล้วจะให้สัตว์อื่นตรัสรู้ด้วยไอจิตตุบาทอันนี้เนี่ยความคิดตัวนี้เกิดขึ้นเพราะองค์ประชุม8ปประการ กว่าจะเรียกมาประชุมสําเร็จเนี่ยนะความคิดแต่ในว่ากว่าจะเซ็นสัญญากันได้เนี่ยนะยากแท้เนี่ยนะจิตตุบาทนั้นมีการตั้งใจจิตตุบาทแปล ว, ว่าความคิดที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยนะมีการตั้งใจแน่วแน่เพื่อสัมมาสัมโพธิญาณโดยถูกต้องนั่นเองนะและเขาไม่ใช่ตั้งเข็มทิศไว้ผิดพลาดเนี่ยนะถูกต้องเป็นลักษณะอันนี้คือลักษณะเป็นความคิดที่เหมือนกับลากเส้นตรงมุ่งสู่ โธทียานอย่างเดียวไม่เป๋ไปทางอื่นแลว้วหมือนกันเป็นความปรารถนาที่เกิดขึ้นว่าโอ้เราพึงตรัสรู้สัมมาสัมโพธิยานเป็นความคิดที่ว่าทุกอย่างเพื่อสัมมาสัมโพธิยานอย่างที่ที่ฟังฟังมาหลายๆเรื่องเลยใช่ไหมพ่อแม่ก็ไม่ได้เป็นที่เกลียดชังท่านจะรังเกียจเกลียดชังพ่อแม่ก็ไม่ใช่จะเกลียดราชสมบัติก็ไม่ใช่แต่โพธทียานเรารักมากกว่าเนี่ยนะ จะว่าท่านไม่รักลูกไม่รักบุตรไม่รักภริยาไม่รักชีวิตก็ไม่ใช่แต่ว่าท่านรักโพธิานมากกว่าเพราทุกอย่างนี่มุ่งต่อโพธิานเป็นความคิดที่มุ่งต่อโพธิานนี่แหละเรียกว่าอภินิหารอภินิหารคือความคิดที่มุ่งตรงต่อโพธิานกิจของอภินิหารคืออะไรเราพึงยังประโยชน์สุขให้สาเร็จแก่สัตว์เป็นความคิดที่ว่า จะช่วยช่วยให้สัตว์สําเร็จประโยชน์ได้อย่างไงให้สัตว์สําเร็จประโยชน์คือโดยเฉพาะประโยชน์คือพระนิพพานได้อย่างไรให้สัตว์ทั้งหลายประสบความสุขได้อย่างไรเนี่ะสุขในมรรคผลนิพพานได้อย่างไรอาการที่ปรากฏคือมออีมีความเป็นเหตุแห่งโ ท, ที่สมภารเป็นปัจจุบันฐานคืออาการปรากฏถ้าไม่มีความคิดอันนั้นเนี่ยนะท่านจะสร้างบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าไหม ถ้าไม่มีความคิดที่ว่าเราตรัสรู้แล้วจะให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยอันนี้คืออาการปรากฏคือการสั่งสมบุญเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเหตุใกล้อ่ะเหตุใกล้แห่งความปรารถนาอันนี้กรุณาเป็นเหตุใกล้เพราะกรุณาต่อสัตว์อื่นนั่นแหละเนี่ยนะข้างหน้าต่อไปก็บอกว่าท่านตั้งอยู่ในฐานะบิดาแห่งสรรพสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในฐานะแห่งบิดาผู้ที่มีใจกรุณามองสัตว์อื่นเป็นบุตรที่จะ ช่วยให้เขาพ้นจากทุกข์เนี่ยแหละท่า น, นมีกรุณาเป็นเหตุใกล้มีอุปนิสัยสมบัติเป็นเหตุใกล้ในที่สองบอกว่าอุปนิสัยก็คือท่านสั่งสมอุปนิสัยคิดในใจมานานแล้วอ่นนะว่าเราตรัสรู้แล้วจะให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยคิดอยู่ในใจทําบุญให้ทานก็ตั้งความปรารถนามาตลอดระยะเวลา16อสงไขยแล้วอ่า น, นะ พันอุปนิสัยตัวนี้แหละที่เป็นเหตุใกล้ให้ตั้งความปรารถนาว่าเราพึงตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณน่นะเป็นจิตใจที่แน่วแน่มุ่งต่อโพธิญาณถามว่าเรากาลังพูดอะไรอยู่พูดถึงว่าอภินิหารคือตัวปัจจัยแห่งบารมียังไม่ได้พูดตัวบารมีนะพูดตัวเหตุของบารมีก่อนพึงเห็นว่าบุญยวิเศษอันเป็นมูลนะนะเป็นบุญที่พิเศษไม่ใช่บุญธรรมดา ที่เป็นรากแห่งธรรมะที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าบุญคือพิเนหานตัวนี้เป็นรากของบารมีเนี่ยนะเป็นรากของบารมีบุญยวิเศษอันนี้เป็นความเจริญอย่างยิ่งเป็นความงดงามเนี่ยนะงามมากสงา่าหาประมาณไม่ได้มีความเจริญมีความงดงามมีความสงา่าอย่างเรียกว่าหายางอื่นเปรียบเทียบไม่ได้โดยความเป็นไปปราลบพุทธ ภ, ภูมิอันเป็นอาจินนตย ทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์แก่สัตว์โลกอันหาประมาณไม่ได้ไม่ได้มุ่งจําเพาะเจาะจงว่าจะช่วยผู้ใดผู้หนึ่งเท่านั้นแต่มุ่งเพื่อสัตว์โลกอันหาประมาณไม่ได้นั่นแหละอันหนึ่งพระมหาบุรุษถึงพร้อมด้วยการบรรลุนั้นแลผู้ที่มีอุปนิสัยที่จะได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าถ้าก่อนหน้านี้ก่อนที่จ ะ, ะประชุมสําเร็จเนี่ยเขาเรียกว่าอนิยะตะโพธิสัตว์ เป็นพระโพธิสัตว์พวกไม่แน่นอนแต่ถ้าตั้งแต่ประชุมธรรมะแปดประการสำเร็จได้รับพุทธภยากรอันนี้ เ, เรียกว่านิยตโพธิสัตว์นิยตโพธิสันตนี่แหละชื่อว่าเป็นผู้อย่างลงสู่การปฏิบัติเพื่อมหาโพธิญาณได้สมัญญาชื่อว่ามหาโพธิสัตว์เพราะไม่ไม่กลับจากนั้นเป็นธรรมดาเท่าว่าเป็นผู้ที่สมัมมตานิยมแน่นอนบรรลุแน่นอ น, น, น, น, อนต่อไปใน อนาคตแล้วท่านก็เป็นผู้ที่เอาใจใส่อย่างสม่ำเสมอในสัมมาสัมโพธิญาณในภาวะทั้งปวงเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่เหมือนกับว่าตอนก่อนนะท่านในพุทธวงศ์ท่านบอกว่าผู้นี้คือพุทธังคูลพุทธะบวกอังกุระอังกุระแปลว่านอ่อท่านผู้นี้คือหนอแห่งโพธิหนอของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คำว่าหนอเนี่ยนะบอกว่าปลูกหน่อทิ้งไว้ถ้าไม่รดน้ําพลนดินใส่ปุ๋ยไม่ใช่ถูกเวลาเนี่ยนะมันจะงอกขึ้นมาได้ไหมไม่ได้ฉันใดพระโพธิสัตว์คือผู้ที่ใส่ใจบํารุงบําเรอเนี่ยนะบำรงบำเรอเอาอกเอาใจต่อข้อปฏิบัติเพื่อสัมมาสัมโพธิญาณทุกประการอ่อนยอมหมดเหมงอนกันเถอะยอมหมดทําทุกอย่างเหมือนกับว่าโพธิญาณต้องการเลือดเ อ, เอาเลือดไปรดก็ต้องใช้เลือดไปรด เอาน้ำตารถก็ใช้น้ำตารถเอาชีวิตรถเนี่ยนะเอาเนื้อเอาเอ็นเอากระดูกไปทำเป็นปุ๋ยบอกยอมหมดขอให้ได้บำรุงบำรเร ờ, ต้นแห่งโพธิญาณเนี่ยนะบำาเร ờ, บารมีเพื่อโพธิญาณมันท่านจึงเอาใจใส่อย่างสม่ำเสมออย่างไม่ไม่ขาดตกบกพร่องอันนี้เรียกอะไรนะสาต จ, จกากักกิริยากักจะเนี่ยนะทำอย่างต่อเนื่องทำด้วยความเคารพต่อไปเป็นผู้สามารถศึกษาโพธิสมภาร สามารถศึกษาปรารภศึกษาในข้อปฏิบัติเกว่าศึกษาในการสั่งสมบารมีเพื่อโพธิญาณตั้งอยู่พร้อมแก่พระมหาบุรุษนั้นก็เลยเรียกว่าเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่จริงๆอ่ะนะจริงอยู่พระมหาบุรุษทั้งหลายค้นคว้าบารมีทั้งปวงโดยชอบด้วยอภินิหารตามที่กล่าวแล้วให้สําเร็จด้วยบรรลุพระสัพพัญยุตยานอันมีเพศเป็นเบื้องต้นด้วยสยามภู แล้วบรรลุโดยลำดับด้วยการยึดมั่นในกุศลเนี่ยนะเป็นการสมาทานกุศลก ว, ว่าหาองค์ประกอบหาองค์ประชุมพิจารณาใครครวญจำเนกแยกแยะถึงธรรมที่จะทำให้เป็นพระพุทธเจ้าสรุปว่าตอนนี้เรายังพูดตอนไหนอยู่ตอนอภินิหารคือการตั้งความปรารถนาที่เกิดจากการประชุมธรรมะประกอบด้วยองค์8 อย่างที่ท่านสุเมศบัณดิตผู้บําเพ็ญอภินิหารไว้มากปฏิบัติแล้วดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าดูเถิดเราคนควาหาธรรมะที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าจากที่โน้นจากที่นี่ทั้งเบื้องบนทั้งเบื้องต่าตลอดที่ทั้งสิบจนถึงธรรม่าตไม่มีที่แห่งใดที่ท่านหาบารมีของท่านไม่เจอท่านค้นพบจนเจอบารมีในทุกหนทุกแห่งไปหมด เมื่อเราค้นหาในครั้งนั้นค้นคว้าไปในทุกทิศได้เห็นฐานนะบารมีเป็นลําดับแรกถ้าหากว่าส่งใจไปในทุกทิศในใ น, ในทิศทั้ง10บนะนะที่ทั้งสิคือข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาเฉียงเีย ง, ยงอีกข้างบนข้างล่างเป็นสิบทิศมีณนะที่ใดที่ให้ทานไม่ได้มีไหมในสิบทิศเนี่ยนะเรียกว่าผู้ชนะสิบทิศจริงๆนะชนะทุกทิศเลยนะสามารถให้ทานรักษาศีลเจริญกุศลธรรมได้ใน ทุกทิศนั่นคนคว้าจนเจอธรรมที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าเลือกเฟ้นน่นะนะถ้าเป็นเปรียบเหมือนก็ว่าพ่อค้าก็หากำไรได้จากทุกที่นี่ก็เหมือนกันท่านหาบารมีได้จากทุกแห่งทุกเรื่องเพื่อสะสมคุณธรรมให้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะนั้นลำดับแรกที่กล่าวมาเรียกว่าปัจจัยแห่งบารมีคืออภินิหารคือการตั้งความปรารถนาเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้า อภินิหารอย่างเดียวพอไหมที่จะเป็นปัจจัยแก่บารมีบอกไม่พอต้องมีปัจจัยสี่ประการปัจจัยสี่แห่งบารมีสิบเหตุสี่เป็นปัจจัยแห่งบารมีสิบแล้วก็ภะละสี่ที่จริงเอ่อโทษย้อนกลับมานะเมื่อกี้พูดถึงว่าอภินิหารเป็นปัจจัยแห่งบารมีแล้วปัจจัยของอภินิหารคืออะไรขออภัยนะปัจจัยสี่เหตุสี่ะละสี่เนี่ยเป็นปัจจัยของอภินิหารอีกทีหนึ่ง ทำไมความปรารถนานั้นจึงเกิดขึ้นทำไมคนอื่นเขาไม่คิดแบบท่านนะเพราะเขาไม่มีปัจจัยสีไม่มีเหตุสีไม่มีกำลังสี่ประการแห่งการตั้งความปรารถนาทีนี้มาดูว่าปัจจัยสี่ประการที่จะทำให้เกิดการตั้งความปรารถนามีอะไรบอกว่าพระมหาบุรุษในโลกนี้ย่อมเห็นพระตถาคตทรงกระทาปาฏิหาริย์อันน า, าศจย์เห็นพระพุทธเจ้าแสดงยมกปาฏิหาริย์เป็นต้นเนี่ยนะ ที่ไม่เคยมีเป็นการแสดงที่น่าอัศจรรย์จริงๆด้วยพุทธานุภาพที่ยิ่งใหญ่จิตของพระโพธิสัตว์มหาบุรุษนั้นย่อมตั้งอยู่ในมหาโพธิญาณโดยกระทาปาฏิหารินั้นให้เป็นอารมณ์เพราะอาศัยพระตถาคตนั้นว่าพระผู้มีพระภาคเจ้ามีธรรมะอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีและอนุภาพของพระองค์นั้นเป็นอจินไตยอย่างนี้ เพราะรู้แจ้งแทงตลอดธรรมาธาตุใดธรรมาธาตุนี้มีอนุภาพมากหนอพระมหาบุรุษนั้นก็เลยน้อมไปในสัมโพธิญาณ น, นั้นทําธรรมาธาตุนั้นให้เป็นปัจจัยอาศัยการเห็นมหานุภาพนั้นแลตั้งจิตไว้ในอภินิหารนี้อันนี้เป็นปัจจัยข้อที่หนึ่งแห่งอภินิหารคืออย่างท่านสุเมธบัณฑิตเนี่ยนะเห็นพระพุทธเจ้าเดินมาเนี่ยนะใจนี่ก็รักปรารถนาที่จะเป็นอย่างนั้น หรือถ้าเป็นแบบทั่วๆไปเนี่ยถ้าใครศึกษาย ม, มากกาปาติหารที่พระองค์แสดงที่ควงคันดามพฤกหรือตอนที่พระองค์ลงจากดาวดึงที่เมืองสังกษะ เ, เนี่ยเมื่อเห็นเหตุการณ์น่าอัศจรรย์เนี่ยบอกว่าพระพุทธเจ้าต้องตรัสรู้สิ่งหนึ่งที่มันพิเศษมากธรรมธาตุอันนั้นคือสัพัญญุตยานเนี่ยสพัญญุตยา น, นี่วิเศษมากจริงๆอ่ะสพัญญุตยามที่ยิ่งใหญ่พิเศษนี่แหละที่ทําให้ตรัสรู้เป็น พระพุทธเจ้าแสดงมีความอพินิหารอารวันต์อัศจรรย์ขนาดนี้เห็นแล้วอยากจะเป็นอย่างนี้บ้างครับเห็นแล้วก็อยากจะเป็นอย่างนี้บ้างอันนี้คือปัจจัยอันดับที่หนึ่งเห็นแล้วอยากเป็นบ้างอนะก็จริงนะอย่างที่บางท่านครับอก อ, อยากเป็นทหารมากเวลาได้ข่าวว่าสวนสนามนะไปแอบดูอยู่นั่นแนหะอยากไปเป็นทหารอยากจะเดินสวนสนามแบบนี้บ้างก็เลยในที่สุดก็ได้เป็นทหารนะนะแต่ก็มีนะเด็กบางคนเนี่ยเด็กบ้านนอกเล่ย์คนหนึ่ง ว่าเขาเห็นประธานาธิบดีเขาอยากเป็นมั่งในที่สุดก็ได้เป็นประธานาธิบดีลินคอนนะลินคอนเนี่ยก็อย่างนั้นก็เป็นเด็กชาวนาพน OCK ธรรมดาเนี่ยแมอยากเป็นประธานาธิบดีอยางนั้นแต่ก็ก็ภาคเพียรพยายามจนได้เป็นจริงๆนะคือขนาดว่าทางโลกเนี่ยนะอย่างนั้นก็ยังมีอยู่ใช่ไหมแล้วนี่ทําไมจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้เนะี<ม>่ยนี่ก็อาศัยการเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นเป็นตัวที่ จุดชนวนทำให้ปรารถนาที่จะเป็นอย่างนั้นอันนี้ปัจจัยอันที่หนึ่งที่ทำให้ตั้งความปรารถนาเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าก็คือการได้เห็นพระพุทธเจ้านั่นเองเห็นความน่าอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าอย่างที่สองพระมหาบุรุษไม่เห็นความที่พระตถาคตมีอนุภาพใหญ่ตามที่กล่าวแล้วแต่ได้ฟังว่าได้ฟังว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเช่นนี้แหละ พระพุทธเจ้าเป็นเช่นนี้พระพุทธเจ้าเป็นเช่นนี้เหมือนกับเราเรียนพระไตรปิดกกันทุกวันเนี่ยนะพระพุทธเจ้าท่านดีอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านดีอย่างนั้นใครที่มีอัธยาศัยที่จะเป็นพระพุทธเจ้าที่เรียกว่ามหาบุรุษก็น้อมไปในสัมโพ ธ, า ธ, าธิญาณทำธรรมธาตุคือสัพพัญยุตยา น, นั้นให้เป็นปัจจัยอาศัยพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตั้งจิตเอาไว้ในอภินิหาร น, นั้นรู้เลยว่าผู้ที่เขาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ พอได้ฟังแล้วนะโอ้พระพุทธเจ้ามีคุณานุภาพอย่างนั้นอย่างนี้ยิ่งใหญ่เหลือเกินนับตั้งแต่พระองค์ตรัสรู้สแสดงธรรมจักรเป็นต้นตลอดจนถึงปรินิพพานเนี่ยพระองค์ยิ่งใหญ่แท้พอได้ฟังเกี่ยวกับพุทธคุณดังกล่าวไปแล้วก็มีศรัทธาปรารถนาจะเป็นเช่นนั้นบ้างอันนี้คือปัจจัยอย่างที่สองที่ทําให้ตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็คือได้ฟังความน่าอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าโดยประการทั้งปวง อย่างที่สอย่างที่สามนี่ไม่เห็นไม่ได้ฟังแต่พระตถ า, าคตแสดงธรรมได้ฟังพระพุทธคุณว่างั้นนะพระมหาบุรุษนั้นพอได้ฟังธรรมปฏิสังยุตติด้วยพุทธานุภาพคือฟังพุทธคุณโดยพิสดารเป็นต้นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถ า, าคตประกอบด้วยกําลัง 10, ลสิบเรียกว่าทศพลายานสิบเวสารัชยานสีอาสาธารณยานหฟังเกี่ยวกับเรื่องพุทธยานเป็นต้นของพระพุทธเจ้า ใจก็น้อมไปในสัมโพธิญาณกระทำธรรมธาตุนั้นให้เป็นปัจจัยอาศัยพุทธานุภาพก็เลยตั้งจิตไว้ในการตั้งความปรารถนาเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าพระวาโหพระพุทธเจ้านี่มีคุณธรรมยิ่งใหญ่จริงๆเนี่ยนะพอได้ฟังเช่นฟังเวสารัชยานก็อยากจะเป็นอย่า ง, งานั้นฟังทศพลยานก็อยากจะมีทศพลยานแบบนั้นฟัง อาสาธารณยานก็ปรารถนาที่จะมีอาสาธารณยานอย่างนั้นฟังพระพุทธคุณโดยประการใดๆใจก็น้อมไปเพื่อมีพระคุณเช่นนั้นเช่นนั้นนี่แหละเรียกว่าอ น, น, นได้ฟังพุทธคุณก็เลยปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมีศรัทธาที่จะเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นปัจจัยให้ตั้งความปรารถนาอันสุดท้ายเนี่ยนะอันสุดท้ายเนี่ยบางคนเนี่ยไม่เห็นไม่ได้ฟัง ไม่ได้ไม่ได้ฟังเกี่ยวกับพินิหารไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้อะไรหรอกแต่เป็นคนมีอัธยาศัยกว้างขวางคนใจใหญ่ว่าไงนคนอัธยาศัยกว้างขวางมีความคิดที่งดงามเป็นคนใจดีจริงๆอะนะมีความคิดขึ้นว่าเรานี้จะรักษาวงของพระพุทธเจ้าเราจะรักษาพุทธวงเอาไว้เราจะรักษาระเบียบแบบแผนของพระพุทธเจ้าเอาไว้รักษาประเพณีวัฒนธรรมของพระพุทธเจ้าเอาไว้ ความเป็นธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเราจะรักษาความเป็นธรรมะคือสัพพัญญุตยานของพระพุทธเจ้าแล้วสักการะเคารพนับถือบูชาธรรมะเท่านั้นประพฤติธรรมะน้อมไปในโพธิญาณโดยกระทำธรมธรมธาตุคือสัพพัญญุตยานนั้นให้เป็นปัจจัยอาศัยธรรมะนั้นตั้งจิตไว้ในอภินิหารตั้งความปราถนาเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้า อัธยาศัยใหญ่เนี่ยนะบอกอเราทำได้อยู่แล้วทำไมเราจะทำไม่ได้นะนะบางคนเนี่ใจใหญ่ใจกว้างขวางถ้าเรว่าเป็นคนขันอาสารักษาแบบแผนพุทธวงศ์เอาไว้เลยนะเพราะอะไรเพราะเป็นคนที่มีอัธยาศัยใหญ่อันนี้ น, นี่ยกอัธยาศัยขึ้นมาเป็นตัวอย่างอะนะไม่ใช่ว่าท่านมีแค่นี้หรอกท่านมีอย่างอื่นอีกเยอะแยะไปหมดอะนะแต่ว่ายกมาว่าประเด็นไหนที่มันชัดเท่านั้นเอง ในบางกรณีเนี่ยนะว่าประเด็นชัดในบางกรณีคือคนอัธยาศัยใหญ่ฉะนั้นปัจจัยที่ทําให้ตั้งความปรารถนามี4ประการที่กล่าวเมื่อกี้หนึ่งเห็นเห็นอะไรเห็นพุทธานุภาพสองได้ฟังพุทธานุภาพสาได้ฟังพุทธคุณ4เป็นคนอัธยาศัยใหญ่อันนี้ปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งในสประการนี้แหละทําให้ตั้งความปรารถนาเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็ไม่เกินเนี่ยนะ อีกนัยยะหนึ่งเขาบอกว่าเหตุ4ประการนี่แหละทำให้ตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเหตุ4ประการคืออะไรเขาแรกบอกว่ามหาบุรุษในโลกนี้ตามปกติเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยอุปนิสัยสั่งสมบุญนะสั่งสมอธิการจากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆมาแล้วอันนี้เป็นข้อที่หนึ่งที่เป็นเหตุให้ท่านตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าท่านทําบุญมาเยอะเนี่ยนะให้ทานรักษาศีล เป็นต้นเนี่ยตั้งความปรารถนาเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเขาเรียกว่าอะไรนะเฝ้าอ้อนวอนขอความเป็นพระพุทธเจ้ามานานคีดในใจอ่นะอายไม่กล้าบอกใครก็คิดอยู่นั่นแหละก็ตั้งความปรารถนามาเท่าไหร่เจ็ดอสงไขยทําบุญแล้วก็พูดปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าอีก9้าอสงไข่มันอันนี้เป็นเหตุอันที่หนึ่งที่ท่านทํามานานทํามามาก เหตุอย่างที่สองก็คือข้ออื่นยังมีอีกพระมหาบุรุษตามปกติเป็นผู้เมียทะยาใยกรุณากรุณาก็คือน้อมไปเพื่อบำบัดความทุกข์แห่งสรรพสัตว์ทั้งหลายกรุณาคือความคิดที่มุ่งบำบัดความทุกข์ของสรรพสัตว์น้อมไปเพื่อจะบำบัดความทุกข์แห่งสรรพสัตว์เรียกว่าน้อมไปในใจกรุณาประสงค์จะนําความทุกข์ทั้งมวลของสรรพสัตว์ทั้งหลายออกไปก็เลยสละกายและชีวิตของตน อนะยอมสละ ก, กายยอมสละชีวิตก like ระว่าพลีชีพเพื่อสัตว์พังกันนะนะพลีชีพเพื่อสัตว์สละชีวิตเพื่อสัตว์สละร่างกายและชีวิตเพื่อคนอื่นเนี่ยนะอย่างที่เขบอกว่าสละชีพเพื่อชาติในต้ น, น, นอันนี้เขบอกว่าสละชีพเพื่อสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากความทุกข์อันนี้ก็เป็นเหตุอย่างที่สองที่ทําให้ท่านตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเหตุอย่างที่สาม พระมหาบุรุษเพียรพยายามไม่เบื่อหน่ายจากวัตถุทุกแม้ทั้งสิน้นเรียว่าไม่เบื่อความทุกข์เลยนะ อ, อบางคนเนี่ยบอกบางคนเนี่ยคล้ายๆบอกเขาไม่เบื่อความทุกข์จริงๆนะเขาทนได้เสมอจริงๆเรียกาเหมือนกับพวกชาวนาบางกลุ่มเนี่ยนะกรรมแดดกรรมฝนไม่รู้สึกว่าเบื่อหน่ายบอกเมื่อไหรฝนจะตกเขาจะได้ทํานาเหมือนกัน บางคนนี่ไม่เบื่อไม่หน่ายเนะเรียกนะว่าเป็นพวกกรรมแดกกรราฝนอย่างก็บอกว่าแม้กระทั่งสายทหารเหมือนกันวุย้ยมีความสุขกับที่จะมีสงครา ม, ม น, นะมีความสุขมากฟังแล้วหมามันเป็นชีวิตชีวาขนาดอย่างนั้นเนี่ยนะอย่างนักมวยทั้งหลายไม่ได้งองไงเมื่อบจะได้เมื่อไหร่จะได้ขึ้นต่ออีกเมื่อไหร่จะได้ขึ้นต่ออีกมันกล้าสเสมอนี่ก็เหมือนกันคนที่ตั้งความปรารถนาเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะท่านไม่กลัวทุกข์เลยเนี่ยนะ คือหมายความว่าท่านเห็นกําไรที่เกิดจากความทุกข์ของท่านนะนะคือท่านสามารถที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็เลยไม่เบื่อจากความทุกข์เรียกแทบจะเรียกว่ายินดีในทุกเพราะถ้าไม่ยินดีในทุกจะยินดีในคุณธรรมที่จะทำให้เป็นพระพุทธเจ้าได้อย่างไรเรียกว่าเป็นคนที่เหมือนกับรักทุกแต่ว่าจริงๆท่านก็เกลียดทุกนั่นแหละแต่ว่าดูเหมือนเป็นคนที่รักความทุกข์ไม่เบื่อจากความทุกข์ขณะเดียวกันก็นก ท่านไม่เบื่อจากการประพฤติกิจที่ทำได้ยากเพื่อประโยชน์แก่สรรพสัตว์เนี่ยนะจะทุกขนาดไหนก็เพื่อสัตว์เนี่ยทำได้ยังบางคนเนี่ยนะเพราะว่านอนๆอยู่ไม่สบายอยู่บอกาถ้าบอกว่าทำเพื่อบางอย่างเลยแม้ขยันขึ้นมาทันทีเลยนะลุกขึ้นทำได้เลยนะพอบอกว่าไม่ได้ทาเพื่ออย่างนั้นหมดแรงทันทีเลยนะบอกหมดเรีย่ยวหมดแรงทันทีเลย บางคนเนี่ยมันใจมันขนาดนั้นจริงๆนะบอกว่าถ้าทําเพื่อบางอย่างที่ตัวเองชอบนะอุ้ยมีเรี่ยวมีแรงมาจากไหนก็ไม่รู้พอบอกว่าไม่ได้อะอย่างที่ว่าเนี่ยนะหมดแรงนอนแผลเลยนะแต่อย่างนั้นจริงๆเพราะนี้แต่ว่าพระโพธิสัตว์ท่านนิสัยเนี่ยทำได้ทุกอย่างเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สรรพสัตว์ ท, ทั้งหลายเพราะท่านจึงทนทุกข์ได้ตลอดกาลนานโดยที่ไม่หวาดสะดุ้งต่อความทุกข์เลยไม่กลัวต่อความทุกข์เลย พันท่านจึงสามารถปฏิบัติจนสาเร็จดังที่ท่านปรารถนาอันนี้ก็คือเนื่องจากอัธยาศัยพยายามนั่นเองอันนี้เหตุอย่างที่สามก็คือความพยายามความภาคเพียรพยายามอันนี้แหละเป็นเหตุที่ทำให้ตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าพยายามหรือความเพียรตัวนี้เป็นชื่อของความกล้าแปลว่าท่านกล้าทนทุกข์นะนะกล้าทำในสิ่งที่ทำได้โดยยากเพื่อ เพื่อให้ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจะได้ช่วยสัตว์อื่นให้พ้นจากทุกข้อที่4บอกว่าพระมหาบุรุษนี้เป็นผู้ที่อาศัยกาลยา น, นมิตรที่จริงได้เพื่อนดีได้กาลยา น, นมิตรได้อาจารย์ดีได้ครูดีนะอาศัยกาลยานมิตรได้ครูดีอาจารย์ดีนี่แหละเป็นผู้ที่คอยห้ามจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์หันเหให้ตั้งอยู่ในสิ่งที่เป็นประโยชน์นี้มาดูคาอธิบายตามลาดับดังกล่าวว่า ข้อแรกก่อนนะที่บอกว่าสมบูรณ์ด้วยอุปนิสัยเนี่ยนะนะมีอุปนิสัยเนื่องจากสั่งสมบูรณ์คุณงามความดีมาแล้วจากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆอธนะิบายว่าอัธยาศัยของพระมหาบุรุษนั้นน้อมไปโน้มไปเอ็งไปโอนไปในสัมมาสัมโพธิญาณโดยส่วนเดียวฉั้นใดการประพฤติประโยชน์แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายก็ฉันนั้นใจของท่านมุ่งต่อโพธิญาณฉันใดก็มุ่งต่อ ก, การช่วยเหลือสัตว์ให้พ้นจากทุกข์ชันนั้น ใจที่มุ่งช่วยให้สัตว์พ้นจากทุกข์ฉั้นใดก็น้อมไปในโพธิยานฉันนั้นก็คือหมายคาะว่ามุ่งโพธิยานเพื่อช่วยสัตว์ถ้าจะช่วยสัตว์ได้จริงต้องบรรลุโพธิยานก็ก็อยู่อย่างเงี้ยถ้าจะช่วยเขาได้จริงก็ต้องเป็นพระพุทธเจ้าถ้าเป็นพระพุทธเจ้าจะได้ช่วยเขาอันนั้นก็มีอยู่เท่านี้เพราะถ้าไม่เป็นพระพุทธเจ้าจะช่วยใครได้บ้าง ช่วยเหลือตัวเองให้รอดเถอะมันก็ยังยากเลยนะช่วยเหลือตัวเองยังจะช่วยย า, ากจะกล่าวไปยายถึงช่วยผู้อื่นเนี่ยไม่เชื่ออ่านพระไรปิฎกอ่านเป็นเนี่ยคนเขาอยากฟังไหมล่ะอยู่เงียบๆไหนได้ไหมหัวกั้นก็ <c oughs> <c oughs> คําเดียวกันอ่ะพระพุทธเจ้าก็ตรัสอย่างนี้ใช่ไหมเอวเมสุตังอะนะเออย่างเงี้ยดูก่อนพิสูจทั้งหลายส่วนสุดสองอย่างอันมันประชิดไม่ควรเสพเป็นต้นเนี่ยนะอย่างที่เราสวดธรรมจักเนี่ยนะเราสวดผิดเวลารู้สิ เขเชื่อไหมว่า น, นี้เป็นพุทธพจน์บอกเชื่อฟังไว้เอาไว้ก่อนไม่ใช่เวลาฟังไว้สวดวันอาสาฬหะนกันบางคนก็ว่างั้นนะเพราะฉะถ้าหากว่าเกี่ยวกับเรื่องเดียวกันเนี่ยนะถ้าไม่ใช่บางคนพูดนี่ยากเพราะเขาเขาอยากได้ยินจากพระพุทธเจ้าบป็ต้นเนี่ยนะเขาอยากได้ยินจากผู้ที่มีคุณธรรมเป็นต้นถ้าไม่มีคุณธรรมจริงๆถึงจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็ไม่ใช่ว่าจะง่ายที่จะช่วยเหลือสรรพสสา ร, รทั้งหลายได้เนี่ยนะ มันงั้นศาสนาไม่มีวันเสื่อมรอกพุทธเจ้าแต่สรุองค์เดียวที่เหลือช่วยกันรักษาให้หมดเลยบอกไม่ได้ไม่เป็นอย่างนั้นหรอก